มองดูสถานการณ์ต่างก็ยังขอย้ำเสมอว่าพระเจ้าก็กำลังบอกว่าเวลามันก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเวลาพระเจ้าจะมารับเราไปอยู่กับพระองค์ก็ใกล้มาเต็มทีเวลาที่มาร์สตานจะหมดลงในโลกนี้ก็ใกล้เต็มทีแต่ว่ามีความแตกต่างนิดนึงมาร์สตานขยันมากขึ้นขยันมากขึ้น เมื่อ <c oughs> เวลาน้อมันขยันมากขึ้นเลยแต่สาหรับคริสเตียนนี่ไม่แน่ใจบางคนอาจขยันบางคนอาจจะไว้ใจพระเจ้าเต็มที่มีความมั่นใจว่าเมื่อพระเยซูมาก็ไปอยู่กับพระองค์แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ในสถานการณ์แบบนี้ต่างคนต่างมีโอกาสได้มองกันได้หลายมุมแล้วแต่ทัศนะความคิดนะครับ อาจารย์มีคนส่งให้์ลายให้ผมอยาปล่อยให้โปเกมอนเข้ามาในโบสถ์เขว่ากันนะอย่าไปอ่าไให้โปเกมอนเข้ามาในบสถ์มเข้ามาแล้วมว เ, เข้ามาเรียบร้อยแล้วฮนะอ่าหน้าโบสถ์กับหลังบสถ์เนี่ยมานเข็นหน้าบสถ์กับมันเข็นหลังบสถ์คนที่เล่นเกมโปเกมอนเข้ามาวัากคุยกันเลยถามถ่าเป็นไงนะอ๋อเข้ามาเก็บลูกบอลเก็บอะไรต่างกันเนี่ยมีก็เป็นอะไรอ่ะเป็น ไม่รู้ว่าในอากาศเข้าเลยนะไปรุ่นก็ขับรถวนเวียนวนเวียนเข้ามากันหลายรอบหลายคันนะนะพราต้องการมาเก็บไอ้ลูกบอลทั้งหลายแหลงปกกับปเกมอนเพื่อไปคว้างโปเกม่อนในเกมของเข้าเนี่ยนะวนจากเครื่องเชนวนดูเขาทําไงอ๋อมีมุนหมุมุมุนแล้วก็ได้ลูกบอลได้อะไรต่างเนี่ยไม่รู้แล้วมาหน้าบสถ์อีกนะฮะจะมองมุมไหนอ่ะ แต่มอมการมุมการละเมื่อสิทธิก็ถือว่าได้เพราะว่าที่เราเทีา่เป็นไม่ที่สาธารณะของเราเป็นที่ส่วนตัวแต่เพิินเปิดโอกาสให้คนผ่านได้ <c oughs> อย่างนี้ถือว่า เ, าเป็นการละเมื่อสิทธินะคนที่มาตั้งไอ้พวกนี้ในผ่านที่ของเราอะไรต่างาเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เขาตั้งในที่สาธารณะนะสีแยกปนุงราชเนี่ยสีแยกสามแยกเรือนแพ้นะเขามีหลายที่หลายแห่ง แต่ที่น่ากลัวคือว่าอันตรายเมาวานเห็นกับตาตัวเองเลยกําลังจะขับรถออกนอกโบสมีเด็ ก, กสองคนขี่ไอ้คนขี่ก็มีมือถือไอ้คนซ้อนจะมีมือถือแล้วก็ส่องไปขี่ไปเข้าใจไหมส่องไปขี่ไปเนี่ยมันอันตรายมองไม่เห็นนะฮะในพื้นที่อย่างงี้อันตรายแต่ขณะเดียวกันถามว่ามันเป็นเอ แงมุมดีไหมก็แงมุมดีนะเพราะว่าในรูปมันปรากฏรูปโบทเราปรากฏรูปเป็นการประชาสัมพันธ์นะเป็นการประชาสัมพันธ์คำถามมันจะคิดมุมไหนอ่ะจะคิดแงมุมของบวกหน่อยก็เป็นการประชาสัมพันธ์โบททำให้คนรู้จั ก, กโบทปกติไม่เข้ามาไม่เข้าโบทแต่เพื่อมาเก็บไอ้ลูกบอลโปกเกมอนเนี่ยเลยต้องเข้ามาในบทแลวเข้ามาหลายรอบเลย นะเข้ามาหลายรอบอะไรตบพวกนี้ยถ้ามองในมุมดีก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามองในมุมไม่ดีก็ไปอีกเรื่องและแต่การบันเมินในส่วนของบทเราก็ไม่รู้จะไปร้องร้องร้องถ้าจะเอาสิทธิเนะี่ยไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครนะยังหาไม่ถูกว่าจะร้องเรียนกับใครว่าคุณมาตั้งในบทฉันได้ยังไงอะไรต่างพวกนี้ยนะถ้าฐานที่นี้เป็นส่ส่วนบุคคลไม่สิ่ฐานสาธารณะที่คุณสามารถจะเข้ามาตั้งได้ แล้วคุณมาตั้งปับเนี่ยจะไงอ่ะ <c oughs> ผมก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวคงองปรึกษาผู้ปกครองว่าจะไงดีแต่ดูสาการนั้นสองทงวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าวันหนึ่งมีรถอมอเตอร์ไซค์เข้ามาเป็นร้อยคันเนี่ยต้องคุยกันต้องคุยกันรถจะไงเพราะว่ามันต้องมาหมุนๆข้างหน้าถึง <c oughs> ว่าข <c oughs> ี่ไปส่องไป<อ>งดูไปไม่ดูรถอันตรายนะแต่ถ้า แต่มองมุมของดีการประชามติกิรจัดก็อีกมุมหนึ่งก็เคามาทั่งน้ําหนักก ว, ว่าอะไรได้เปรียบเสียเปรียบแต่คงองศึกษาทางกฎหมายพร้อมควรว่ายังไงนะกฎหมายเป็นไงแบบไหนต่างพวกนี้แต่แน่ๆคือที่โบสนี่เป็นที่เออ่ไม่ใช่ที่สาธารณะแต่ก็ไม่แน่คนไทยจะคิดในมุมมองของวัดหรือเปล่าไม่รู้เพราะวัดก็ถือเป็นที่สาธารณะนะถึงแม้ในความรู้สึกเป็นที่ส่วนบุคคลแต่จริงๆคือในความรู้สึกเป็นที่สาธารณะเอกสารเนี่ยนะ ว่าคนที่จเข้ามาจากพวกนี้ยแต่ก็ไอเหตุ ก, การณ์นี้เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จะว้อย่างไงแบบไหนการลงประชามติรับร่างในพนุนก็ไปอีกข้อมุมอีกมุมมองหนึ่งบางคนบอกเอ่อไปรับดีบางคนบอกอไม่รับดีบางคนบอ ก, ไ ม, บบบอกไม่สนใจก็ดีไม่ปวดหัวนะไม่ปวดหัวแล้วแต่นะฮะแล้วแต่วิจีคิดของแต่ละคนนะก็คงจะมีเหตุผลนเฉพาะบคุคคลคนรับ ก็มีเหตุผลในการจะรับคนไม่รับก็มีเหตุผลที่จะไม่รับคนไม่สนใจก็มีเหตุผลที่ไม่สนใจ น, นนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลเราคงไม่สามารถไปเอละเมิดทางความคิดของเขาได้แต่ถ้าเรามาดูในมุมมองของพระเจ้ามุมมองพระเจ้าบอกให้เราไว้ใจพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้จงไว้ใจพระเจ้าอันที่สองให้คนทําหน้าที่ของตน ทำหน้าที่ของตนถ้าเราเป็นคนไทยก็ต้องทำหน้าที่ในความเป็นคนไทยคนไทยทุกคนต้องออกไปใช้สิทธิ์ต้องออกไปทำหน้าที่ไม่ไปสิทธิ์คือไปใช้สิทธิ์แปลว่าไปทำหน้าที่นะนะฮะถ้ากฎหมายฉบับที่ผ่านมาถ้าคุณไม่ไปใช้ไม่ไปทำหน้าที่คุณไม่มีสิทธิ์เช่นมมีสิทธิ์ร้องเรียนไม่มีสิทธินั่นไม่มีสิทธินี่ตนกว่าคุณจะกลับไปทำหน้าที่ใหม่ นั้นคริสเตียนไทยคงต้องไปทําหน้าที่ผมก็บงทีครูอาจารย์การไปใช้สิทธิเนี่ยมันมันก็ดูเหมือนไม่หนักแน่นนะทีจริงๆมันเป็นการทําหน้าที่เพราะว่าเมื่อมีกฎหมายรองรับว่าถ้าคุณไม่ไปใช้สิทธิคุณไม่มีไม่มีสิทธิ์ในการมาร้องเรียนนะมาร้องเรียนบ้างน้นนะเพราะว่าคุณไม่ไปใช้สิทธิเนี่ยคุณไม่ทําหน้าที่ของคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่มาร้องเรียน กำลังกฎหมายเราบอกว่าทุกคนต้องไปทําหน้าที่แหละกาลังแปลกความนะแต่เขาไม่ใช้คํานี้เขใช้คำว่าไม่ใช้สิทธิ์นะแต่ถ้าไม่ไปทําหน้าที่ก็เพียงแค่ไม่ผิดกฎหมายคุณไม่ไปทําไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ถ้าเป็นรับผู้นุญฉบับเก่าถ้าคุณไม่ไปทําคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในการไปร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับนั้นๆการเมืองนั้นๆจนกว่าคุณจะกลับไปใช้สิทธิ์ใหม่ไปทําหน้าที่ใหม่ นะฮะเพลงเพลงว่ากฎหมายชบตรงนี้บอกว่าไม่ไปทําหน้าที่ก็ไม่ผิดแค่นั้นเองไม่ไปทําหน้าที่ก็ไม่ผิดไม่มีใครมาจับคุณแต่คุณไม่มีสิทธินะไม่มีสิทธิ์มาร้องเรียนในเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าคุณไม่ไปใช้สิทธิไม่ไปทาหน้าที่นะครับสละพระเจ้าคือให้พร้อมเสมอกับทุกเหตุการณ์เมื่อพระเยซูมาเราคงไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอะไรก็ได้ที่ไหลไปตางกระแสโลก แต่เราอยู่พื้นฐานความพร้อมเสมอในาการรอคอยการกลับมาของพระเยซูยไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นในโลกนี้ให้เราไว้วางใจพระเจ้าเราทําหน้าที่ของเราสุดหน้าที่ของในการเป็นพลเมืองที่ดีหน้าที่อของการเป็นคนของพระเจ้านะฮะหน้าที่ของการเป็นบุตรของพระเจ้าหน้าที่ของการเป็นปูริษวงของพระเจ้าหน้าที่ของการเป็นชนชาติบอยสุดของพระเจ้าก็ไปทําหน้าที่ของเราลหลายแต่ละคนเพราะเป็นการพร้อม เมื่อพระเยซูมาทำลูกาบทที่สองข้อสาสิบห้าถึงข้อสี่สิบได้กล่าวบอกว่าท่านหลายของคาดเอวของท่านไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่พวกท่านเองจงเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อ น, นายจะกลับมาจากงานสมรสเมื่อ น, นายมาเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดให้นายทันทีได้บ่าวซึ่งนายมาพบกําลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุข เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายนั้นจะคาดเอวไว้และให้เบาเหล่านั้นเองกายลงและท่านจะมาเดินโต๊ะถ้านายมาเวลาสองยามหรือสามยามและพบ ว, ว่าเบาวอยู่อย่างนั้นเบาวเหล่านั้นก็จะเป็นสุขให้ท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้เถอว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้รู้ได้ว่าขาโมยจะมาเวลาไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือของเขาได้ททั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุญมุตจะเสร็จมาตุ่มใจฐานครับพวิดาเจ้าอวยพรในพจน์ของพระองค์พ่อผีทุกตอนรับการตุ่ใจซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพรองค์จะพักพร้อมในการทําการอย่างอวยพรในข้ามหลายทุกคนในการเข้าใจในพระเจ้าพระเจ้าโดยการจำแดงพงยาบ่อยสุดของพงยาบยสุดต่างหลายตามชอบประทายพระเจ้าทุปการด้วย ให้ฐานสันเสริมและขอบคุณในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนปัญหาของเราคือว่าเมื่อพระเยซูจะกลับมานั้นพระองค์ไม่บอกว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะพระองค์เองก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาคนเดียวแต่ก็มีหมายสําคัญให้นะกล่าวแล้วมีหมายสําคัญที่บ่งบอกว่าเอาลนะเวลาเนี้ยพระเยซูใกล้จะมาแล้วเมื่อพระเยซูมานะครับเราจะเตรียมตัวอย่างไร จริงๆต้องบอกว่าควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อพระเยซูมาฮเราจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อพระเยซูมาเตรียมตัวก่อนพระเยซูมานะเราคงไปเตรียมตัวตอนพระเยซูมาไม่ทันเพราะพระเยซูมาเร็วมากมาเหมือนสายปาแลบมาเหมือนกระพริบตาแป๊บนะฮะแล้วก็จบอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเราจะเตรียมตัวอย่างไรอันดับแรกพระเพียงว่าให้ตะเกียงท่านจุดอยู่ พัมพีว่าให้ตะเกียงท่านจุดอยู่ถ้าเราไปดูในพระธรรมมัทธิวบทที่5้าก็พูดถึงเรื่องของหญิงพมจารีสิบคนแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งฉลาดและกลุ่มหนึ่งไม่ฉลาดแต่พัมพีพูดชัดว่าโง่พูดชัดว่าโง่นั้นก็มาว่าเมื่อวันนั้น นะแผ่นินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงคมจารีสิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบาวเป็นคนโง่ห้าคนหญิงคมมีหญิงเป็นหญิงมีปัญญาห้าคนฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงขอตนไปแต่หาได้เอาน้ํามันไปด้วยคนที่มีน้ําปัญญานั้นได้เอาน้ํามันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบาวยังชาอยู่ก็พากันง่วงเหงาแล้วหลับไปทันเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับเถิด พวกหญิงคมปจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ํามันของท่านให้เราบ้างตะเกียงของเราจมอยูดับอยู่แล้วพวกนี้ปัญญาตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรัเราและเจ้าจงไปหาคนขายซื้อสลับตัวเองจะดีกว่าให้ตะเกียงของเราจุดอยู่เพราะเหตุผลว่าพระเยซูจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้คําว่าตะเกียงจุดอยู่เน่ยคือว่าอย่าให้เรา ประมาทให้เราเตรียมพร้อมเสมอโดยเพราะคนที่ได้เชื่อเป็นลูกพระเจ้าในความเชื่อของเราว่าคนที่เป็นลูกพระเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าได้ถูกกถาปนานเป็นบุตรของพระเจ้านั้นเขาจะรอดอันนั้นคือความจริงแต่อย่าประมาทท่านมั่นใจเยงั้นแล้วท่านปล่อยปลาละเลยนะปล่อยปละแล้วเลย ไม่ดูแลชีวิตไม่รักษาชีวิตไว้ให้อยู่ในทางของพระเจ้าคาว่าอยู่ในทางของพระเจ้าคงย้อนไปถึงเมื่อคราวที่แล้วศานาเรื่องการสะสมทสัศสมบัติไว้ในสวรรค์คือการใช้ชีวิตที่คุ้นเคยกับพระเจ้าอย่างเสม่ําเสมอการเดินไปกับพระเจ้าวันต่อวันด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าเราปล่อยประละเลยก็ไม่แน่นะถ้าเราปล่อยปะละเลยไม่แน่เหมือนหญิงภูมิจารีห้าคนเนี่ยไม่ประมาท บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ตะเกียงอพอแล้วเจ้าบ่าคงไม่ล่าช้าเกินไปหรอกเพราะเจ้าบ่าเองก็คงอยากจะแต่งงานนะแต่เพืิอนสิทธิในการกำหนดเวลาเป็นของพ่อไม่ได้เป็นของตัวเจ้าเบ่าเจ้าบ่าไม่มีสิทธิบอกว่าฉันจะออกไปรับเจ้าสาวเมื่อไหร่ นะแต่คนที่มีสิทธิ์บอคือพ่อของเจ้าบ่าวว่าเขาจะไปออกไปรับเมื่อไหร่ผมว่าถ้าเป็นตัวเจ้าบ่าวเองไงแต่พ่อกระรี่เปร่งในการจะออกไปรับเจ้าสาวอนะนะจากนั้นถ้าคิดมันก็ไม่มีปัญหาแต่อเผอิญการตัดสินใจให้ออกไปรับเจ้าสาวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพ่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าบ่าวแล้ววันนี้รูเสึมอพ่อตัดสินใจช้ารอรอรอจนค่ำคืนะนะรอจนดึกดื่นะนะ่นะนะนะนะนะ รอจนดึกดื่นแล้ว่ะนะฮะจนตะเกียงดับไปชุดแล้วนะ่ะส่วนหญิงพมจารีห้าคนไม่ประมาทเตรียมเอาน้ํามันไปด้วยเมื่อตะเกียงดับก็เติมจุดใหม่อันนี้คือสิ่งสาคัญจะให้มองเห็นว่าเราจําเป็นต้องใช้ชีวิตกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสม อ, อจริงๆใช้กับพระองค์จริงเดินไปกับพระองค์จริงคําว่าใช้ไปกับพระองค์เดิมก็คือทําตามพระองค์ นะทําในสิ่งที่เราควรทําไปเรื่อยทําในสิ่งที่พระเจ้าเราทําไปตลอดเวลาอย่าหยุดอย่าหยุดนั่นคือไม่ประมาทถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เราคิดว่ามูเราเชื่อพระเจ้ามาหลายปีล้วยังไงก็รอดแน่อไม่แน่ใจตอบไม่ได้นะผมตอบไม่ได้นะเอาให้ดเออฉันเชื่อมาสามสิบสี่สิบปีแล้วชัวชัวนะสวรรค์เป็นของฉันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่า หญิงคมจารีบอกเงี้ยนะว่าในเรื่องพระเยซูอปุปมาเหมือนเนี่ยนะอุปมาเหมือนเนี่ยนั้นการที่เราเชื่อในพระเยซูแล้วก็อย่าประมาทเหตุผลอะไรชนชาติเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเขาคิดว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเขาคิดว่าเขาเป็นประชากรของพระเจ้าเขาคิดว่าเขาคือผู้เดียวเท่านั้นที่พระเจ้ารักเขาแต่ถึงเวลาพระเจ้ากระไรไปเสกเขานะ ไม่เอาเหมือนกันนะนะฮะทาหลายอย่างนู่นเอาไปตกเป็ น, นเฉลยที่บาบิโลนบ้างนะฮะถ้าภาษาปบุ่นว่าซ่ามากนักก็ทําลายประเทศเลยไม่ให้มีประเทศต้องเกือบสองพันปีนะฮะอะไรต่างาพวกนี้ยนั้นอย่าประมาทอย่าทําตัวเหมือนอยิวว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันประชากรองพระเจ้าชัวแน่นอนนะตอบไม่ได้ แต่คนที่พร้อมเสมอนะตอนนี้ไม่รู้ว่าทาไมเขาแชร์แล้วมีการเรื่อ ง, รองอแรมนนแรมนั้นคือกลุ่มชนชีน้อยกลุ่มชนน้อยที่มีความมั่นคงในพระเจ้ากลุ่มเนี้ยจะอยู่นะกลุ่มเนี้ยจะอยู่เพราะว่าเขาจะมั่นใจในพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะมั่นใจในพระเจ้าเขาจะวางใจในพระเจ้าของเขาอันนั้นคือสิ่งที่อยากหนุนใจให้มองเห็นตรงจุดนี้ว่าเราอย่าประมาทนะไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามแต่นะ ผมก็ประมาทไปได้อะไรอีกตามไม่ได้เกาะติดพระเจ้าไว้ให้แน่นพึ่งพาพระเจ้าตลอดเวลาการพึ่งพาพระเจ้าอย่าละเลยอย่าพึ่งพาพระเจ้านะฮะคือสิ่งที่อยากกระนุนใจให้ให้ให้เห็นว่าอันนี้คือสิ่งละให้ตะเกียงเราจุดอยู่เสมออย่าให้ดับคันปีบในวิหาร สิ่งที่เขาสั่งว่าอย่าให้ไฟดับจากคันประที่ต้องเติมน้ำมันอยู่เสมอต้องเติมน้ำมันเสมอในวิหารของยู่สมัยก่อนต้องเติมน้ำมันอยู่เสมออย่าให้ไฟดับจากคันปะที่นะฮะนั่นคือสิ่งที่อนุญาตให้มองเห็นภาพนึ่งว่าอย่าประมาทเพราะว่าพระเยซูจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เตรียมตัวของเราให้พร้อมคือโดยการไม่ประมาทนะครับไอ้สองแล้ว เตรียมตัวเหมือนคนที่รอรับนายของตนใครเคยรอรับนายไหมนะหรือใครเคยรอรับเสด็จไหมนะเฝ้ารอนะในลูกกามารโกบสิบสามได้กล่าวว่าแต่วันนั้นโมงนั้นมีใครรู้ถึงบรรดาทุสวรรษหรือผู้บุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียว จงเฝ้าระวังและไอ้ฐานอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงท่านเมื่อไรเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่ออกจากบ้านไปทางไกลเมื่ออำนาจให้แก่บ่าวทุกคนและให้รู้การงานงตนว่ามีหน้าที่อะไรและได้สั่งนายประตูให้เฝ้าบ้านอยู่เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไรจะมาเวลาขา หรือเที่ยงคืนหรือเวลาไก่ขันหรือรุ่งเช้าจงเฝ้าระวังอยู่กลัวว่าจะมาฉับพันและจะพบท่านนอนหลับอยู่ซึ่งเราบอกท่านว่าเราก็บอกคนทั้งพวงด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิด <c oughs> คนที่เหมือนคนรอรับนายก็คือพร้อมรายงานตัวต่อพระเจ้าพร้อมรายงานตัวต่อนาย <c oughs> ตอนผมเป็นทหารเนี่ยเมื่อตอนเข้าเวรเนี่ยถ้าห้ามรับเวร คถามหาว่าทําไมถ้ารับเว็ว่าเมื่อเจ้านายมาเนี่ยผู้บังคับบัญชามาเนี่ยคุณจะต้องรายงานนะอ่าคุณจะต้องรายงานนะครับโดยไม่สนใจว่ายังไงตามแต่มาเห็นผูน้บังคับบัญชามาปั๊บต้องรายงานแน่นอนนะฮะแต่ก็ขำๆเรื่องหนึ่งเสด็แดงเป็นผู้บังคับชาผมใช่ไหมผมก็เป้ายามอยู่หน้าทา ง, ทางเส้นทางจะไปห้องน้ำพอดีเสด็แดงก็เดิน ม, มาคงจะเข้าห้องน้ำเอ่ะ พอผมเห็นปั๊บผมแต่เป๊ะปั๊บรายงานตัวนะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเซตยาบอกไม่ต้องกูจะไปแล้วอันนั้นแล้วแต่ได้อันนั้นแล้วแต่ได้นะแต่ว่าน่าทิงเลยเมื่อได้มาผมสิบสีเสมอใจเข้าเวสตั้งแต่ช่วงนั้นเท่านี้เรื่เหตุการณ์ปกติครับมานะเซตยาบอกไม่ต้องกูจะไปแล้วนะอันนั้นคือสิ่งที่อยากให้มองเห็นภาพอ่ะเราต้องเตรียมพร้อมเสมอเมื่อนายมาเมื่อไร่แบบไหนเนี่ยต้องคอยรายงานตัว เพราะเหตุผลก่อนนายไปทำอะไรได้มอบนะฮะมอบอํานาจให้แก่เบาทุกคนและให้รู้การงานตนว่ามีหน้าที่อะไรกางจะหมายความอย่างหนึ่งบ้านในชีวิตคริสเตียนพระเจ้ามอบหมายงานของปรุงไว้ให้เราแต่ละคนใครสักคนไม่มีงานไม่มีทุกคนมีงานที่พระเจ้ามอบหมายให้ ทุกคนมีงานที่พระเยซูมอบหมายให้ ok ดูจากอะไรดูจากของประทานของประทานที NO ่ท่านมีคืองานที่พระเจ้าให้ท่านทำนะของประทานที่ท่านมีคืองานที่พระเจ้าให้ท่านทำนั้นไม่ต้องไปหานิมิตว่าพระเจ้าให้ทำงานอะไรนะหลายคนพยายามหานิมิตมาหลายปีแล้วเออขอสแสดงนิมิตหน่อยพระเจ้าให้ทําอะไรของประทานที่ท่านมีก็คืองานที่พระเจ้าให้ท่านทา นั่นแหละไม่ต้องคิดมากนะฮะไม่ต้องคิดมากและถ้าท่านทาต่อเนื่องเมื่อนายมาท่านจะบอกว่าเหตุ s, การณ์ปกติครับคือแปลความว่าได้ทำหน้าที่ตลอดมาคำว่าเหตุ s, การณ์ปกติแปลความว่าผู้ที่เฝ้าเวรผู้ที่อยู่ยามนั้นไม่ได้รับดูเหตุการณ์ตลอดเวลาว่าอะไรเกิดขึ้นและไม่มีอะไรเกิดขึ้ น, น, น, นจึงรายงานกับภูมค้ำชาว่าเหตุา s, การณ์ปกติครับ แสดงว่าทําหน้าที่อยู่ถามว่าเป็นไงบ้างก็ตอบไม่รู้แสดงว่าหลับเลยวหลับเบนนะไม่ไม่อยู่ยามไม่ทําหน้าที่นะนั่นคือสิ่งที่อนุญาตให้มองเห็นภาพว่าเราต้องเป็นคนเหมือนคนที่พร้อมรเอรอรับนายของตนเพื่อจะรายงานเพื่อจะรายงานแล้วคนที่พร้อมรับอรับรายงานเนี่ยแต่รายงานต่อ น, นายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ประมาท นะคอยเฝ้าระวังอยู่นายจะมาสองจามนายจะมาสามจามนาจะมาเมื่อไรก็เฝ้ามองดูอยู่นะเหมือนเราไปรออะไรบางอย่างแล้วก็เฝ้ามองดูอยู่นะว่าจะไงแบบไหนอย่างไรนะฮะเมื่อคนที่เรานัดมามาแล้วต้องเจอเราอะไรต่างพวกนี้หลายครั้งหลายคาก็มีเหตุการณ์นี้เหมือนนะคนที่นัดมาหาเราเราไม่เจอเราเพราะเราไม่สนใจนะเราไม่สนใจ ยิ่งตอนนี้มีมีมสิทนะสมัยนี้มีสิทธิสูงเพราะระหว่างที่เรารอไปแล้วก็เล่นไปใช่ไหม <laughs> คนมารก็มองไม่เห็นคนมาอินเดอันนี้อันนี้เกิดขึ้นอินเดีคนมาเรามองไม่เห็นนะฮะมองไมเห็นก็นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือต้องต้องระวังเฝ้าระวังนะรอรับนายเฝ้ามองดูว่านายจะมาเมื่อไหร่ชีวของคริสเตียนต้องเฝ้ามองดูเสมอว่านายจะมาเมื่อไหร่คอยเฝ้าดูสังเกตการดูว่านายจะมาเมื่อไหร่ และเมื่อถ้าเราเห็นนายมาเราก็พร้อมรายงานว่าเหตุการณ์ปกติครับนะนั่นคือสิ่งที่จหนุนใจให้มองเห็นว่าเราต้องเป็นคนเหมือนที่รอรับนายพร้อมรายงานตัวต่อพระเจ้าเมื่อพระเยซูมานะฮะพระองค์ก็จะรับเราไปอยู่กับพระองค์พรอกงานแล้วว่าเหตุการณ์ปกติครับนั่นคือสิ่งสคัญนั้นคำถามที่น่าถามคือว่าในชีวิตของเราเหตุการณ์ปกติไหมครับ ในช่วงเราเหตุการณ์ปกติไหมหน้าที่ปกติของเรารู้เป่าแน่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องทาหน้าที่ราเป็นปกติในส่วนที่ว่าไม่มีสิทธิ์แก้ตัวว่ามันมีอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นผมเลยต้องหนีเวรมันก็ไม่ใช่นะฮะอันนั้นก็นั้นคือส่วนหนึ่งที่มองเห็นภาพว่าเออก่อนที่คนยาม กะนีเวนต้องส่งข่าวสารก่อนนะต้องส่งข่าวสารก่อนส่งข่าวสารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคุณค่อยไปไม่ใช่เห็นอะไรอันตรายปั๊บก็หนีแวบเลยไม่ส่งข่าวสารในคนในเมืองรู้นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นกนุนใจให้มองเห็นว่าจำเป็นที่เราต้องอยู่เหมือนคนที่รอรับนายของตนก่อนที่พระเยซูมาเป็นเหมือนคนต้นเรือนนะเป็นเหมือนคนต้นเรือน ฝ่ายเปโตทูลพง ว, ว่าพรงเจ้าข้าพรงได้ตัดคำเปรียบนั้นแก่พวกข้าพเจ้าหรือตัดกับแก่คนทั้งปวงองค์ุณเจ้าตัดว่าใครเป็นคนต้นเรือนสัตซ์ซื่อและฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือคนใช่สำหรับแจ ก, กอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขาก็ทำอยู่อย่างนั้นบ่าวผู้นั้นก็เป็นสุขเราบอกความจริงให้ทั้งหลายว่านายตั้งเขาให้ดูแลบรรดาข้าวของของท่านคือเป็นคนต้นเรือนคอยดูแล สัตซ์ซึเปตโตรถามมาคําเปลี่ยนที่ผ่านมาต้องต้องอะไรต้องให้จุดตะเกียงไว้เสมอต้องทําตัวเหมือนคนที่รอนําบนะกำลังพูดถึงคนทั่วไปหรือพูดกับพูดกับข้าพระงแต่คตําตอบพระเยซูก็คือว่ากับคนทั่วไปกับทุกคนไม่คนทั่วไปกับทุกคนกับทุกคนเลยไม่มีข้อยกเว้นแต่เราจําเป็นต้องอะไรต้องดูแลสัตซ์ซึนะฮะกับสิ่งที่พระเจ้า มอบให้กับเรากับสิ่งที่พระเจ้ามอบไว้ให้อยู่ในความดูแลของเราอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจนใจงานรับใช้ทำแทนกันไม่ได้ขอจำคำนี้ไว้ให้ดีรับใช้ทำแทนกันไม่ได้เรารับหน้าที่มาจากพระเจ้าแลวเราบอกว่าโอเคเราไม่ทำให้คนนี้ทำแทน งแล้วอาจจะมีความรู้สึกทำนองนี้ผมก็เคยมีไม่ใช่ไม่เคยมีแต่เฉพาะความรู้สึกว่าถ้าไม่มีเราคนอื่นเขาก็ทำได้ก็อะไรแต่นี่ของเราที่พระเจ้ามอบหมายให้เราแปลความว่าอะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะฮะหน้าที่ของเรานี่เป็นยกให้เขาไม่ได้ถ้าสรุปความเป็นไงที่เขาทา ไม่ใช่เพราะเขามาทําหน้าที่แทนเราเขาทําหน้าที่ของเขาที่พระเจ้าให้เขาทําถ้าเราไม่ทําในส่วนของเราก็ไม่มีใครมาทําในส่วนของเรานั้นหน้าที่การงานรับใช้ทําแทนกันไม่ได้เพราะเป็นการมอบหมายของพระเจ้าให้แต่ละบุคคลโดยเฉพาะถึงจะยกให้ก็ไม่มีใครมาทําแทนให้ได้นะรับประกันได้มีใครมาทําแทนให้ได้ โดยเหตุผลเนี่ยมาสไตล์เข้าใจพวกนี้ดีก็ทําให้เกิดอะไรต่างมากมายไก่กองในความคิดในความรู้สึกของเราเราคิดอย่างปุจฉชนทั่วไปถ้าไม่มีเราก็คงมีคนอื่นและที่สามารถทําแทนเราได้แต่งานรับใช้มันทําแทนกันไม่ได้เพราะว่าผู้ที่สั่งเราก็คือสั่งเราพระเจ้าสั่งเราเออนั่นคือสิ่งสําคัญ ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่างานรับใช้ ท, ทําแทนกันไปได้ยกให้กันไม่ได้ของใครของมันการยกให้คนอื่นแปลความว่าทิ้งงานการยกให้คนอื่นแปลความว่าทิ้งหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายกับเราอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจมองเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นบทีมันหลายเรื่องเนี่ยบางทีทําไปมันเกิดความรู้สึกไม่ดีมันสะพัดแต่นั้นก็คือ แท็กติกลูกเร่งของมาสตานที่ทําให้เราละทิ้งงานที่เราควรจะทําแตกไว้เรื่องนึงตําแหน่งกับหน้าที่คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันนะฮะไม่เกี่ยวกันอย่าเอาตําแหน่งมาเป็นหน้าที่นะะตําแหน่งถ้าว่างตรงไปตรงมาเนี่ยพระเจ้ามีแต่ขอประธานให้เรานะพระเจ้าไม่มีตําแหน่งให้เรา ไอ้ตำแหน่งต่างเนี่ยเป็นมนุษย์ในการจัดสรรขึ้นมาเพื่อเป็นระบบในการทำงานนี่ไม่มีตำแหน่งสีบาลไม่มีแน้ภินิหมีแต่ของประธานในการเป็นสีบานตำแหน่งสีบานไม่มีไอ้ตำแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรก็ตามแต่ตามความเหมาะสมหรับผมมีตำแหน่งก็ได้ไ ม, มีตำแหน่งได้แต่งานผมก็สีบานสีบานไม่แปลความวคนที่ทำงานในโบท หลายคนคิดว่าสีบางคนทางานในโบสถ์ไม่ใช่สีบางคือคนดูแลคนที่ไหนก็ได้ที่มีชุมชนพระเจ้าก็ดูแลกันไปนะดูแลคนมากกว่าหนึ่งโบสถ์อยู่แล้วแล้วมันในสังกัดนอกสังกัดยังต้องดูแลถ้าเข้ามาขอเราดูแลแล้วก็ดูแลนมันเป็นไงเป็นไงเป็นขอประธานผมผมไม่ไทําเพราะว่าไหนท์เป็นตําแหน่งทุกวันนี้ทําหน้าที่สีบานไม่ไทําหน้าที่เพราะเพราะเป็นตําแหน่ง นั่นแหลการให้ดีระหว่างตำแหน่งกับของประธานหลายครั้งบางครั้งเราบอกเราหมดจากตำแหน่งแล้วพอหมดตำแหน่งเราบอกเราหมดหน้าที่แล้วใช่คุณหมดจากตำแหน่งแต่หน้าที่ในการรับใช้คุณยังไม่เคยหมดเพราะเจ้าไม่เคยถอดคุณพระเจ้าไม่เคยถอดเราจากการรับใช้งานรับใช้มันทําแทงกันไม่ได้ยกใครกันไม่ได้ มาให้เกียรแก่กันละกันโดยการเอาเอ า, เอางานฉันไปทําเนี่ยไม่ได้บางคนเหมือนกับเป็นคนทอมใจแต่เข้าใจผิดอาจจะทอมใจจริงแต่เข้าใจผิดงานของใครงานของมันพระเจ้าให้นั้นต้องอย่ามาสับสนกับตําแหน่งตําแหน่งคือตําแหน่งที่คนตั้งขึ้นมาแต่พระเจ้าไม่เคยมีตําแหน่งให้ใครมีแต่ของประธานให้ของประธานบงบอกถึงหน้าที่ ถ้าของประธานนั้นมันยังไม่สูญสลายหายไปกับตัวเรากาลังแปลความว่าเราจะต้องทำงานรับใช้พระเจ้าในในของประธานนั้นสืบไปอาจจะมีบทบาทในการที่จะมาควบคุมทำานูตทำนี้กับอะไรไม่มีเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของการบริหารจัด ก, การของเราซึ่งบป็นคนกับคุ่มชนที่เราอยู่เรามีเจตกติกา ร, ร่วมกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วมอบหมายคนนั้นก็ดูแลเรื่องนั้นมอบหมายนี้ดูแลเรื่องนี้นะ ถึงวาระก็หมดไปนะคนหนึ่งเข้ามาทำแทนที่แต่งานรับใช้พระเจ้าที่พระเจ้ามอบหมให้เราไม่เคยเปลีป่ยนแปลงยังคงอยู่เสมอนั้นขอยา้าตอีกครั้งหนึ่งเป็นคนเหมือนคนต้นเรือนสัตซื้อกับหน้าที่อยองตัวเองดูแลขอบทานพระเจ้าให้กับเราอย่างดีพัฒนามันขึ้นมานะพัฒนามันขึ้นมาได้มห้าตาลันก็ทำต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นสิบตาลันเอง ได้มาสองตารางก็ทําไปเรื่อยแล้วมันจะกลายเป็นสี่ตารางเองอันนั้นคือสิ่งที่อย่างหนุนใจให้มองเห็นขอาอีกครั้งหนึ่งนะงานรับใช้พระเจ้าทําแทนกันไม่ได้หน้าที่ใครหน้าที่มันไม่มีสิทธิ์ไปยก ใ, ใครๆไม่มีสิทธิ์สิ่งที่คุณทำได้คุณอยากยกไปคืนพระเจ้านึ่งถ้าพระเจ้ารับคืนค่ว่ากันนะและ้วจะไงพระเจ้ารับคืนไม่รับคืน ถ้ายังมีความสามารถทําอยู่แสดงว่าพระเจ้าไม่รับคืนไปคืนพระเจ้าไปแล้วแล้วไงอะแล้วไงแล้ะเออแต่คุณยังทำได้อยู่อะแปลความแสดงพระเจ้าไม่เอาคืนไงแต่ในการพระเจ้าไม่เคยบังคับเราแต่พระองบอกว่าสิ่งที่ให้ไปแล้วเอาไปให้คนอื่นไม่ได้ช่วยให้คนอื่นมีการพัฒนาได้แต่ไปให้เขาไม่ได้นะครับอันาัย์ขอจําตรงนี้ว่า ก่อนพระเยซูมาให้เราเป็นเหมือนคนต้นเรือนที่ดีที่สักด์สิทธ์นะครับรักษาหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายไว้ให้จนจุดท้ายของชีวิตอันนั้นคือสิ่งคัญหรือว่ากาลังมันไปไม่ไหวแล้วอะไรตางตาพวกนี้นะครับเมื่อพระเยซูเสร็จมาให้เราเตรียมพร้อมผู้ที่เตรียมพร้อมได้เข้าร่วมในงานสมรสกับพระเยซู ตามพระธรรมมาทิวยี่ห้าเมื่อกําลังซื้อไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในงานเลี้ยงเนื่องในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดก็แปลความง่ายว่าเข้าในสวรรค์กับพระเยซูสำหรับคนที่พร้อมผู้เตรียมพร้อมก็เข้าสวรรค์กับพระเยซูได้รับคําชมเชยจากพระเยซูนายตอบว่าดีแล้วจะเป็นทาสดีสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อย ล้วตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดนานได้รับคำชมเชยดีแล้วเจ้าเป็นบาศซื่อนั้นสิ่งที่ที่ว่าวางงานพระเจ้าทำแทงกันไม่ได้เนี่ยมันมาตรงกับข้อนี้คือพระเจ้าประเมินผลจากความสัตด์ซื่อของเราพระเจ้าไม่เคยประเมินผลจากจำนวนงานของเรากล้า พ, พูดว่าผมทำงานมากคนอื่นแล้วพระเจ้าจะให้ผมมากไปไม่กล้าพูด ทำมากแต่อ่านแลไม่สัตซ์ซื่อก็ได้แต่พระเจ้าประเมินความสัตซ์ซื่อสัตซ์ื่อได้ ส, ส, สัตซซื่อในของประทานที่เรามีเราใช้ของประทานของเราเราพัฒนาของประทานพระเจ้าเพื่อถาวายเกียรติแด่พระเจ้าสัตซ์ซื่อตรงนี้แล้วก็ทําเต็มที่ส่วนจะได้มากได้น้อยไม่เป็นปัญหาไอ้คนได้ห้าตะลันก็ไปทําเขาได้อ้าตะลันเขาได้มากไอ้คนได้สองตะลันก็ไปทำได้อีกสองล้นก็เป็นสี่ตะลัน ทุกเยซูก็ชมเหมือนกันดีแล้วจะเป็นเป่าสัตซ์ซื่อเพราะเขาทาหน้าที่ของเขาดีสุดแล้วอะ่ะนะจํานวนงานไม่ให้ตัวชี้วัดในความสัตซ์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าตัวชี้วัดในความซื่อว่าเราทําเสมอต้นเสมอปลายของเราจะเกิดผลมากเกิดผลน้อยไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะเราปลูกเรารดน้ําพระเจ้ามันควให้เกิดผลไงนั้นมาประเมินผล เอาผลงานมาประเมินถึงสิ่งที่ที่เป็นความสัตย์ซื่อองเรามากนะเพราะการเกิดผลเป็นเรื่องของพระเจ้า <c oughs> แต่พระเจ้าดูแลดูสิ่งที่เราสัตย์ซื่อมิชชันนารีรุ่นแรกเข้ามาในประเทศไทย <c oughs> 9ปีจริง ไ, ได้คนไทยเชื่อหนือคน18ปีตลอดมาเขาสัตย์ซื่อต่อการประกาศข่าวประเสริฐมาพอใจเรียบร้อยแล้ว หก oh, สิบกว่าปีไม่มีคนไทยเชื่อสักคนรอปีสิบเก้าจึงได้คนไทยหนึ่งคนแต่เขาว่าสัตซ์ซื่อไงน้าเขาพระเจ้าบอกโอ้เจ้าสัตซ์ซื่อนะจงร่วมปีดีกับนายเจ้าเถิดถึงแม้สิบเก้าปีได้หนึ่งคนแต่เขาสัตซ์ซื่อไงถ้าไม่สัตซ์ซื่อสองปีแรกกลับแล้วแต่พอกัดซื่อนะ้านั้นคือสิ่งที่อยากให้หนุใจให้มองเห็นได้รับรวัลจากพระเยซู บ่าวซึ่งนายมาพบกําลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงกับทั้งหลายว่านายจะคาดเอวไว้และให้บ่าวเหล่านั้นเองกายลงและท่านจะมาเดินโต๊ะเมื่อถึงเวลานั้นเราจะไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะพระเจ้าได้เตรียมทุกอย่างให้เราพร้อมแล้วคําว่านายคาดเอวมาเดินโต๊ะคงไม่ได้มารับใช้เราหรอกแต่ได้เตรียมทุกอย่างที่ดีสำหรับเราเรียบร้อยแล้ว ได้รับสิ่งนั้นที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ใ น, นสิ่งที่อยากจนุ่งใจรางวัลคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ทุตธรรมวิวรยิบเอกว่ารางวัลคือว่าเราได้อยู่กับพระเจ้าเราไม่ต้องร้องไห้เราไม่ต้องเจ็บปวดเราไม่ต้องข้ามควรเราไม่ต้องมาเชิญคําแฉ่งสาบในโลกนี้ต่อไปนะเราไม่ต้องมาชิญกับการที่จะ เ, เกิดแก่เจ็บตายของเรา เพราะว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าได้เตรียมมาให้แล้วเหมือนกับนายที่คาดเอวแล้วก็เดินโตะ๊ะเอาอาหารเอาสิ่งต่าง ม, มาให้กับคนใช้เขาเพราะคนใช้คนนี้สัตซ์ซื้อมากนายเลยอยากจะปฏิบัติเป็นกําลังใจอยากทดแทนเป็นกําลังใจพระเจ้าก็เตรียมสิ่งดีไว้กับเป๋าสำหรับคนที่สัตซ์ซื้อในหน้าที่ในงานเองทำ นะะในงานที่เองทาในงานที่พระเจ้ามอบหมายให้ในงานพระเจ้ามอบหมายให้นั้นะะคือสิ่งที่สําคัญอย่า ก, การะนุนใจนะฮะก็เป็นสิ่งที่ให้เราบอกเห็นว่าถ้าผู้เตรียมพร้อมก็จะเข้าสวรรค์กับพระเยซูได้รับคําชมเชยจากพระเยซูได้รับรางวัลจากพระเยซูเพราะเขาพร้อมผู้ที่ไม่พร้อมถูกตัดสร่วมงานสมรสกับพระเยซู เมื่อกาลังไปซื้อนั้นเจ้าป่าวก็มาถึงผู้พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดประตูปิดแปลความว่ า, าถูกตัดสิทธิ์ถ้าวันนี้สี่โมงเย็นไม่ไปล ง, ไ ม, ไ, ปลงไม่ไปลงคะแนนผีปิดหมดสิทธิ์ลงคะแนนหมดสิทธิ์ลงคะแนนหลังสี่โมงเย็นไปแล้วท่านไม่มีสิทธินะถ้าไปก็ไปก่อนสี่โมงเย็นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้มองเห็นภาพ啊 เมื่อเราไม่พร้อมเราถูกตัดสิทธิ์ิวของคริสเตียนที่ไม่พร้อมเมื่อพระเยซูมาเราถูกตัดสิทธิ์อันนี้สองเราถูกปฏิเสธภายหลังหญิงขุนจารีฆ่าคนก็มาร้องว่าท่านเจ้าขา้าท่านเจ้าขา้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยป่ายท่านตอบว่าเราบอกความจริงกัทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านนอกจากถูกตัดสิทธิ์แล้วยังถูกปฏิเสธด้วยไม่รู้จัก นั้นก็ส่องวรนตัวเองเสมอเหมือนกันจากพระธรรมมัทธิวบเจ็ดข้อยิบเอ็ดนะมิใช่ว่าทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าได้เข้าสวรรค์แต่ผู้ที่ทำตามน้ําพระทัยพิะดาลหาที่เข้าในสนวรรค์ระทูลว่าโอ้โหข้าพระองค์เทศนาในพันนามของพระองค์ข้าพระองค์บางมือรักษาโรคในพันนามของพระองค์พระเยซูแต่ว่าเราไม่รู้จักเจ้าผมว่าคงไม่มีสิทธิ์ไปพูดกับพระเยซูโโหพระองค์เจ้าข้า รู้ไหมเนี่ยปีหนึ่งเทศนากี่กันใชเทศนาไม่ต่ำกว่าร้อยกันนะสอบจ<ด>ังหาอีกผมคงไม่อ้างพระเยซูไม่ได้นี่มีสิสทธทิ์มีสิทธิ์เป็นไงานทำจํำนวนงานไม่มีสิทธิ์พวกอาจจะไม่รู้จักเจ้าก็ได้เป็นใครเนี่ยนะเป็นใครไม่รู้จักเหตุผลเพราะไม่เตรียมพร้อมไม่เตรียมพร้อมถูกไปเสร็จไม่รู้จักเจ้า การบังคับบงเตะชนะในพนาบงบงคาบบงอาสานในวางมือคนหายโรคในนามบงพระเยซูอาจจะบอกไม่รู้จักเจ้าก็ไดนะ้เพราะเราไม่พร้อคือไม่ทําหน้าที่ของเรานะไม่ทําหน้าที่ของเราอันนั้นคือเพียงหนุนใจให้มองเห็นภาพแต่ลเราทําหน้าที่ก็ได้ความสศรัืธอไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ค่าเท่ากันในสายพระเนตรพระเจ้าขอย้ําอีกครั้งหนึ่งไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ที่พระเจ้ามอบหมายเราทํานะ ค่าเท่ากันในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะในสายพระเนตรพระเจ้าไม่มีงานสักอันหนึ่งที่เป็นงานที่ไม่สําคัญทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราทําล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สําคัญและพระองค์ไม่ได้ให้บนพื้นฐานของความสามารถของเราจําเรื่องนี้ไว้ให้ดีนะฮะพระองค์ไม่ได้ให้บนพื้นฐานความสามารถของเราพระองค์ได้กําหนดไปเรียบร้อยแล้วว่าก่อนเราเจะเกิดมาเนี่ยพระองค์ให้อะไรเราติดตัวมาพระองค์ไม่ได้ให้เราหลังเกิด พอเกิดมาแล้วดูโอ้คนนี้มีความสามารถมากให้มากคนนี้มีความสามารถน้อยให้น้อยไม่ใช่พระองค์ได้ใส่เราให้เรามาก่อนเกิดแล้วนั้นทุกอย่างที่พระองค์ใส่เรามาแสดงพระองค์เห็นว่าสมควรเหมาะสมใช่แล้วเราทําตามที่พระเจ้าใส่ให้เราับเรามาก็ถือว่าเราทําสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะพระเจ้าใส่ให้เรามาพกองไม่มาเลือกหลังที่เราเกิดแต่ได้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็จะให้หนุนมองค่ะทำหน้าที่เราไป งานเล็กงานใหญ่มนุษย์จะคิดไงกับช่างแต่ถ้าเราสัตว์ซึ่งเราไปเรื่อยพระเจ้าถือว่าสําคัญเพราะงานทุกชิ้นถือว่าสําคัญเหตุผลเพราะพระเจ้ามั็นคนกําหนดให้เราทําไม่ใช่บนพื้นฐานความสามารถของเราแต่เป็นพระประสงค์ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดอันนั้นคือเรื่องสําคัญนะถ้าเราเข้าใจนี้เราก็จะมีปัญหาผู้ที่พร้อมก็ถูกลงโทษนอกจากตัดสิทธ นะถูกไปเสร็จไอสามถูกลงโทษบ่าวที่ได้รู้ใจนายและมีได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้ทำตามใจนายจะต้องถูกเคยนมากแต่ผู้ไม่ได้รู้และก็ททำสิ่งที่งสมจะถูกเคยนก็ถูกเคยนน้อยผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากคูนั้นมากและผู้ใดได้รับฝากไปมากก็จะต้องทวงเอาจากคู้นั้นมาก คนที่รู้ใจนายและไม่ทําถูกลงโทษมากเจอว่าคริสเตียนทุกคนเป็นคนที่รู้ใจนายประสงค์ของพระมรู้จักพระมหาบัญชายังน้อยรู้จักพระมหาบัญชาคริสเตียนเป็นคนที่รู้ใจนายพระองค์ก็คงเรียกร้องเอามากคนที่รู้ใจนายจะทําผิดก็ถูกลงโทษด้วยเหมือนกันไม่เว้นเหมือนกันแต่อาจจะถูกลงโทษน้อยหน่อยน้อยหน่อ ย, อยพระเยซูปแปลกความอะไรผมไม่รู้ หรือแม้แต่คริสเตียนเหมือนกันบางคนอาจจะไม่เคยรู้อิโนยเนี่ยบ้างนั่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะรู้บางเพาะเรื่องบางคนอาจรู้มากนะแต่บางทีพระเจ้าสำแดงมากถ้าเอางี้เอาให้ง่ายๆก็แล้วกันถ้าเป็นคริสเตียนนั้นในกลุ่มคริสเตียนเนี่ยบางครั้งบางคาบางคนพระเจ้าสำแดงมากเหลือเกินแต่ไม่เคยทําสักเรื่องหนึ่งนั่นก็รับทิชอบพระเจ้าเอง แต่บางคนเนี่ยไม่ค่อยรับรู้การแสดงพระเจ้ามากนักนะก็ไม่รู้แล้วก็ทำไปมังงุ ม, มังาหลาไปภาษาโบราณหน่อยมังงุมังาหลาเนี่ยมังงุมงาหลานะ น, ะ, น, ะ, นะก็คือทำแบบมาอะไรคำไปเรื่อยทำตามใจฉันก็อาจจะบ้าได้ระดับหนึ่งนะฮะก็ผิดก็ถูกลงโทษเหมือนกันแต่ขอสบคบมาที่คริสเตียนก็แล้วกัน ลูกของพระเจ้าทุกคนย่อมต้องรู้แน่ว่านายต้องการให้เราทําอะไรเมื่อเราเรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เจ้าแปลความภาษาไทยง่ายว่าเจ้านายเจ้านายเมื่อเราเรียกพระเยซูเจ้านายนายคนนี้มีงานให้เราทําและถ้าเราไม่ทําพระองค์ก็เรียกร้องทวงถามแม้ว่าให้ไปนหนึ่งตะลันแต่ไม่ไปทำํำเลยถูกฝังดิน พระองค์บเอาเอาไ อ, าอาคนนี้ไปทิ้งที่ภายนอกในที่ที่ขบเคี้ยวเที่ยวฟันนะะนั่นก็คือสิ่งที่หนุนใจให้มองเห็นภาพในตรงนี้ว่านั่นคือถ้าผู้ที่ไม่พร้อมจะเป็นยังไงบ้างผู้ที่พร้อมเป็นยังไงบ้างฉะนั้นจงเตรียมพร้อมเสมอเพื่อความสุขเพื่อร่วมสุขกับนายของเราในงานมงคลสมรสกับพระเยซูคือในสวรรค์ เพื่อได้รับคำชมเชยในความสศ์สื่อของเราได้รับรางวัลคือการครอบครองกับพระเยซูรางวัลที่สาคัญที่สุดคือการครอบครองกับพระเยซูเตรียมไม่พร้อมไม่เตรียมพร้อมถูกตัดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในงานถูกตำหนิเพราะว่าให้มาแล้วทำไมไม่ทำถูกลงโทษเพราะว่ากฎกติกาคือว่าถ้าไม่ทาถูกลงโทษ น, นั้นคือสิ่งขันนั้นก็หนุนใจพี่น้องว่าเหตุฉนั้นทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไรจะมาเวลาค่ําหรือเที่ยงหรือเวลาไก่ขันหรือรุ่งเช้าจงเฝ้าระวังอยู่กลัวว่าจะมาฉับพลันอาจจะพบท่านนอนหลับอยู่ซึ่งเราบอกพวกท่านเราก็บอกคนทั้งพวงด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิด น, นั้นคือสิ่งที่อยากหนุนใจว่าเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าอะไรต่างาเนี่ย แม้แต่โปเกมอนทั้งหลายแหละผมก็คิดไงไอ้กลางเนี้ยมันอะไรกันถ้าพูดในแง่ลบเหมือนไอ้ไอ้โปเกมอนแบบเนี้ยนะมันเป็นการชวนคนไปเกิดอันตรายอะ่ะนะคุณขับมอไซค์ไปคุณส่องไปขับมอไซค์มันส่องไปนะมันไอ้เทคติกของมารสตายในรูปแบบนะที่ชวนคนไปตายอะ่ะนะ คนที่มีโปรแกรมโปเกมอนตอนนี้ถ้าพันเปิดดูอาจจะเหมือนมุนบมุนอยู่อ่ะเนี่ยเขกเขมอยู่เงี่ยเข็มอยู่เนี้ยนะแต่ให้แกงนมามองดูว่าเนี่ยมาร์สตานทำทุกแบบทำทุกแบบแต่ถ้าคนมีสติก็จะเรียนรู้จักว่าเมื่อไหร่ควรมาเล่นเอาเมื่อคุณอยากจะมาที่นี่คุณขับรถมาจอดมอเตอร์ไซค์เดินเอาไม่ได้หรือไงก็จะพลายใช่ไหมเดินหาเนี่ยมันที่ไม่กว้างขนาดนั้น เดินหาจะปล่อยอไปทำไมคขาขี่มอเตอร์ไซค์ก็สองไปเรื่อยนะ น, นั่นคือสิ่งต่นก็นี่คือวิธีการต่างก็หนุนใจว่าจงเตรียมพร้อมเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไรพระเยซูจะมาแต่สิ่งที่พูด เ, เต็มปากเต็มคำคือว่าเร็วๆนี้พระเยซูจะมาเราสงบใจฐานด้วยกันเราจะร้องเพลงบทที่แปดด้วยกัน บทที่สิบแ